อท่านบรรดาท่านเสกข้าพระธรรมิกาทั้งหลายและบรรดาไปอยคาวาจรทั้งหลายเวลาการที่จ ะ, จะเจริญพระกรรมฐ า, านยังไม่มาถึงแต่ด้วย่าเวลานี้ก็เป็นเวลารายการก่อนพระกรรมฐ า, านสําหรับเรื่องนรกก็ได้กล่าวให้เจ้บรรดาท่านหลายตามพระบาลี เห็นว่าเป็นการสมควรเพราะว่าเรามายับยั้งกันทั้งล่างขั้นโลโลการตนนรกแต่ความจริงเรื่องราวของนรกนั้นที่กล่าวมาแล้วก็เป็นแต่เพียงหัวข้อย่อๆเท่านั้นตาหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมีความสนใจในด้านรกสวรรค์จริงๆ ขอาพรัาฑาท่านพุทธบริษัทชายหญิงพี่สุยยสมันเลทั้งหลายพยายามฝึกฝนตนให้ได้มนโนวิจติหรือวิธีปิจกุยานการปฏิบัติทำตนให้เข้าถึงมนโนวิธิหรือทิปิจกุยานนั้นองสมเด็จพระวิชิตามานทรงแตดไวอย่างนี้คื่นหนึ่งทรง อ, งอธิบาเสีให้ครบถ้วน รักษากำลังใจในด้านของความดีคือหนึ่งชั้นพระวิริยะจิตตะวิมังสาชั้นพะพอใจในความดีที่เราจะพึงปฏิบัติ <c oughs> วิริยะมีความภาคเพียรไม่ท้อถอยจิตตะตั้งใจไว้เสมอวิมังสาใช้ปัญญาคราทรวนพิจรารณาผลแห่งการปฏิบัติ แต่ความจริงการปฏิบัติในสำนักของเราได้รับการรับฟังคำแนะนำกันอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ยังมีบุคคลบางท่านมากล่าวว่ามีพระบางรูปที่ทำตนคล้ายไม่ใช่พระมีอยู่อันนี้องค์ผมก็จะไม่กล่าวชื่อ แต่บางทีเจตนาของท่านจะ บ, บริสุทธิ์ด้วยการกระทาอาจจะพลังพลาดไปนิดหน่อยฉะนั้นขอบัรดาท่านทั้งหลายควรระมัดระวังเพราะว่าคนที่เขามาในสถานที่ของเราจะมีจิตใจไม่เสมอกันขอทุกท่านหมายผมก็ไม่อยากจะพูดไม่รู้จะพูดยังไง เราฟังกันทั้งเราเบียบเราฟังกันทัน้งวินัย <c oughs> ธรรมะปฏิบัติสอนกันมาถึงขั้นพันิพานได้ขออัตนาหลายโจรมัตะวังในจริยาของตนจงอยากคิดว่าเราเป็นคนดีถ้าคิดว่าเราเป็นคนดีเราก็ลืมมองความชั่วเคยพูดไปเสมอว่าอัตนาโจทยตานัง จงเตรียมตนได้ตนเองไว้เสมอกล่าวโทษโทษ โ, โจย์ความผิดของตนเขาไว้จึงกระทั่งเจริยาบางอย่างที่มามีบางท่านมากล่าวว่าพระอยู่ที่ไหนก็ได้ตอบเข้าไปบอกว่าพระอยู่ที่จิตใจที่มีความประพฤติปฏิบัติไม่ที่อยู่ที่หัวโลนหรือ ว, ว่าหัวผ่าเหลว <c oughs> ท่านผู้นั้นมากล่าวว่าพระบางท่านที่ผมคิดว่ามีจริยาไม่ใช่พระมีอยู่อันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าองค์ไหน <c oughs> ฉะงนั้นขอท่านทั้งหลายจงระมัดรวังจิตด้วยการปฏิบัติของท่านอย่าทำอะไรละหลวมเกินไปจนเข้าใจว่าทำเราทำความดี เดือนทั้เป็นเหตุเชมัรดาใบชาชนนั้นหลายเขามีความเข้าใจแล้วว่าเราไม่เป็นพระอันนี้เป็นโทษอย่างหนักแล้ว <c oughs> ก็จงอย่าโทษขับและคนทุกคนเขามีปัญญาต่อเทนี้ไปก็จะข อ, อนําเรื่องเปรตมาพูดให้ท่านฟังการนํามาเรื่องทั้งหลายเหล่านี้มามาเล่าให้ฟังก็นํามาจากบาลี ในตอนนี้ก็จะขอปรารบสักนิดหนึ่งว่าเมื่อวันที่12กันยายน2520นี้ได้มีโอกาสเป้าพระบาทสมเด็จเจ้ยหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้กราบทูลให้พระองค์ทรงทราบวิการพูดธรรมะก็ใสยบาลี พระบาทสมเด็จพเจยหัวทรงมีพระราชดำรัสตัดว่าตรุลัวชาวบ้านเ้าด่าหรื อ, อยังไงในถวายพระพรพระองค์ไปว่าไม่ใช่กลัวชาวบ้านดา่าแต่ว่าต้องการให้เป็นดำราสำหรับเรื่องราวของของแมาไตรภูมิหรือว่าเรื่องนรกสวรรค์พรหมนิพานธรรมนรสรโลก กันเรียกว่าไตรภูมิก็ตัดว่าหนึ่งภูมิเขานรกสองภูมิเมนุษย์สามภูมิของสวรรค์อันนี้เป็นไตรภูมิคือสามอย่างก็อยาข อ, อนำเอาเหตุการณ์ทางพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินศรีทรงตรั ส, สมาพูดให้ท่านฟังจะได้มีอารมณ์ไม่เผืองาหากว่าผมจะใช่อารมณ์ของผมจริงๆก็ทำได้ แต่มันจะกลายเป็นดอตตริมนุษยธรรมไปยังของดเว้นไว้สำหรับเรื่องราวของเปรตก็ยิงขอนำมาเปรตประเภทที่ท่านหลายอาจจะไม่ได้คิดว่าจะเป็นเปรตมันเล่าสู่กันฟังไปอันดับแรกเพิ่งกล่าวไว้ในบลีว่าในสำนักแห่งพระราชาธิบดี ทรงพัฒ น, นาพระเจ้าพิมีสารบรมกษัตริย์รำบาดเท้าเธอทรงปกครองมคต ร, รัฐจัดว่าเป็นกษัตริย์องค์แรกที่นับถือพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงปกครองในมนคตธ ร, รัตนที่เรียกว่ากรุงราชกคือ ท่านกล่าวนบาลีว่ามีบุรุษผู้ทรงมีปัญญาความรู้ผู้หนึ่งซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงแต่งตั้งให้มีตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาชำระอัตตกดีคนประเภทนี้สมัยนี้เขากล่าวว่าท่านผู้เป็นปัญญาชนท่านรุนนี้ในตอนต้น ก็มีอุดมการณ์ดีในฐานะที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาใหม่ๆก็มีความซื่อสัตย์สุจริตทากิจด้วยความซื่อตรงไม่มีความประสงค์ในการที่จะคดโกงอะไรทั้งสิน้นแต่ว่าท่านหลายตำแหน่งผู้พิพากษา อ้าดูกล่าวกันไปทีหนึ่งเขาเรียกว่าตําแหน่งเงินตําแหน่งทองตําแหน่งนี้ถ้าทรงกําลังจิตใจไม่ดี<ม>ก็เหมือนกับพระเราเหมือน<ม>กันก็นอาจจะมัวเมาในลาบยศสนเสริญสุขได้เพราะว่าเป็นตําแหน่งที่ต้องมีคนมางอนงาะมากราบมาไหวมาขอความกรุณา ถ้าความกรุณาของท่านนั้นเป็นไปตามด้วยความสุจริตก็ใช้ได้แต่ถ้าว่าเงินทองเป็นของไม่เข้ากับใครทึงนกล่าวว่าลาบย่อมทําลายคนชั่วท่านลาบไสการะเป็นเหตุฆ่าคนชั่วทำจิตให้เมามมวลืมความดีที่จะพึงประพติปฏิบัติหรืออาจจะลืมโอดมการ เช่นเดียวกับอมหมายคนนี้ท่านกล่าวว่าต่อมาในภายหลังในเมื่อมีคนเข้ามาหาบ่อยๆตั้งความความความเป็นยุติธรรมไอ้คำ ว, ว่ายุติธรรมนี่ความจริงมันก็ไม่ใช่คือเขาเป็นความเขาต้องการชนะก็มากราบมาไหวเอาเงินทองมาให้ อาศัยที่ท่านเป็นคนใจอ่อนมีเมตตาในด้านความชั่วต่อมาจิตใจของตัวก็เกิดในความโลภเข้ามาครอบงำจิตติดในทรัพย์สินเป็นสำคัญเกิดมีความประพฤติ ท, ทุจริตในหน้าที่ท่านดีใดที่ควรเยแพร่แต่ถ้าให้เขาให้เงินมากก็ตัดสินให้ชนะ เันนดีใดที่ควรจะชนะแต่ถ้าว่าไม่เงินก็ตัดสินให้แพ้ท่านกล่าวว่ารับสินบนกลายเป็นคนมีความชั่วช้าอย่างสาหัสไม่สมกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ายหัวทรงไว้วางพระราชหุลไทยแต่ถ้าว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้ายหัวคือพระเจ้าพิมมีสารบรมกษัตริย์ ท่านจะไปนั่งดูคนทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้อาศัยที่พิพาษาเนตุลาการเป็นผู้แทนพระองค์ตัดสินอธิกดีต่างๆเรียกว่าอย่างในสมัยนี้เขาถือว่าพระมหกากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจทางศาล ได้ความจริงถ้าพระมาหากษัตริย์ทรนชำระความจริงๆผมว่าท่านไม่เห็นแค่เงินแก่ทองเพราะว่าท่านที่เป็นกษัตริย์ทุกท่านเข้าถึงจุดแห่งความอิ่มคือว่าอิ่มนยศถาบรรดาศักย์ยศใดๆที่ยิ่งใหญ่ไปกว่ายศพระมาหากษัตริย์ไม่มีและพระมาหากษัตริย์ก็เป็นที่เท่าทูลของปวงชนทั้งหลาย ที่มีความเคารพในฐานะที่พระมหกากษัตริย์ทุกท่านทรงไปด้วยทศพิตราชยธรรมมีความเมตตาจิตเป็นปกตนินี่เมื่อพระมหกากษัตริย์พระองค์เดียวไม่สามารถจะพิพาษษาอธกุีได้ก็แต่งตั้งคนที่คิดว่าเป็นบัณฑิตคือคนรู้มีความดีประพฤติดีประพฤติดดชอบ แต่เขายังเป็นคนนบิบรรดาท่านทั้งหลายคําว่าคนมันแปลว่ายุ่งมันในเมื่อเงินเข้ามามากๆ ม, มันก็ยุ่งความจริงน่าจะโทษเงินไม่น่าจะโทษคนเงินเข้ามาม า, มากกําลังใจของคนก็เป็นอโกษนินบรรดาพระของเราก็เหมือนกันระมัดรวังให้มาก อย่ามัวเมาในทรัพย์สินอย่ามัวเมาในอำนาจวาสนาอย่ามัวเมาในการสการะบูชาอย่าเป็นเช่นเดียวกับท่านมหากรรธินในความจริงพวกเรานี่ไม่น่าจะมีใครเข้ามาตาหนิแบบนั้นนะอะท่านนั้นหลายรับทราบไปด้วยว่าเวลานี้มีคนบางคนเข้ามาวิภาควิจารณ์ต่อหน้าผม ว่าพระของเราบางท่านมีจริยาเหมือนไม่ใช่พระแต่ผมก็ไม่ทราบว่าใครเข า, าพูดว่าพระอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวโล้นห่มผ้าเหลืองหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ฟังอย่างนี้ผมก็รู้สึกสะเทือนใจเสะเทือนไม่ใช่ตกใจรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาคนดีมีที่ไหนคนชั่วมีที่นั่น แต่นนั้นว่าพวกเราทุกท่านระมัดระวังผงคิดว่าท่านนั้นหลายคงไม่มีเจตนาชั่วแต่การกระทําตัวของท่านอาจจะพลาดพั้งไปเห็นให้จนกระทั่งให้เขาที่มีความเข้าใจว่าเราไม่เฉยขะก็ระวังนะครับระ ว, วังอย่าให้เขาชี้ตัวผมทราบถ้าชี้ตัวนี้เขาไม่ได้พูดถึงไข่ ก็เป็นอันว่าเมื่อท่านเลวผมก็ต้องเลวด้วยเพราะในฐานะที่ผมเป็นครูบาอาจารย์และเป็นผู้ปกครองท่านเะนั้นนะว่าท่านต้องการให้ผมเลวก็ทาความเลวต่อไปถ้าไม่ต้องการให้ผมเป็นคนเลวท่านก็จงอย่าเลวเลิกความเลวเสียแต่ความจริงผมก็ไม่อยากจะเลว แต่้นเมื่อท่านเลวมากๆผมก็ต้องเลวเหมือนกันนั่นก็คือว่าต้องขับท่านออกไปจากสถานที่นี้เป็นนั้นว่ายังไม่รู้ว่าใครผู้มาโจทยังไม่ได้บอกตัวผมก็ยังไม่ตัดสินใจว่าท่านเลวนักก็ยังต้องต่อไปก็ต้องพิจารณาจริยากันต่อไปเป็นอันว่าท่านผู้พิพากษาท่านนั้น ตักดสินคายความยุติธรรมวันหนึ่งเป็นวันอุโบสถขั้นเมื่อพระเจ้าพิมีสารบริมารสัตย์ประบา ท, ทาเท้าเธอสมมาทานอุโบสถศีลก็มีพระราชดำลัดสั่งให้อมัดผู้ใหญ่หลายท่านด้วกันสมาทานอุโบสถศีลนพร้อมัปด้วยกับพระองค์ สำหรับท่านที่ภาษาผู้นั้นท่านไม่ได้มีศรัทธาที่จะรักษาศีลแต่ถ้าว่าเดิ่มหน่ายความเกรงกลัวในพระมหากษัตริย์อาจจะไม่กลัวแต่อดีเกลงใจหรือว่าบางทีจะไม่เกลงใจแต่เกรงชาวบ้านเขาจะว่าเอาเพราะเราเป็นผู้ใหญ่พระมหากษัตริย์ทรงชวนให้สมาทานุโสดเตศีนจะไม่ทําไม่ได้ก็เป็นการไม่ดี ไม่ได้นึกถึงว่าความดีที่จะมีกับตนเพียงใดก็เลยจำทนจำใจสมาทานศีลด้วยรันสมาทานศีนแล้วมาออกมาจากพระราชสำนักจ้าได้กล่าวแก่อมาตผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งเป็นสหายกันว่านี่เพื่อนในความจริงวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจะรักษาโบสด เพราะาเรื่องศีลเรื่องทานนี้ผมไม่ได้สนใจว่ามันจะเป็นของดีตรงไหนเมื่อสมาทานแล้วก็จะต้องอดข้าวเย็งกินเหล้าก็ไม่ได้กินข้าวก็ไม่ดีไอ้ขนมนมเนยที่มีก็กินไม่ได้ไม่เหนมันมีประโยชน์ตรงไห น, นแต่ที่รวมร่วมสมาทานกับพระมหากษัสริยก็เพราะความเกเกรงใจ ผมอยากจะสมาทานแล้วอยากจะโยนศีลให้มันทิ้งไปไม่เหนมันมีประโยชน์สำหรับอมตที่เป็นเพื่อนก็เตือนพว่านี่เพื่อนรักท่านสมาทานศีลแล้วอย่าทิ้งศีลที่เคยราาักษานั้นไม่เวรการสมควรด้วยวท่านเองก็เป็นอมตผู้ใหญ่เมื่อสมาทานศีลต่อ เฉพาะพระพักพระบาทสมเด็จทีะอยู่หัวเมื่อแล้วเมื่อรับหลังกลับจะทิ้งศีลไปเสียคือไม่ยอมรักษาศีลต่อไปไม่เป็นการสมควรจะเป็นการปฏิบัติศีลเอาหน้าภาวนากันตายขอบรรดาเพื่อนจงตั้งใจรักษาอโมโสตตศีลให้ครบหนึ่งวันกับหนึ่งคืน แล้วก็จงอดใจรักษาใจรักษาศีลให้ครบถ้วนถ้าหากว่าเราไม่ทำอย่างนั้นใครเขาทราบเขา้าเขาก็จะประนามพระมหาผู้ใหญ่เขาว่าพระราชาเป็นคนชั่วไม่ไม่สามารถจะทำตัวให้อยู่ในขอบเขตของความดีได้ มันดาท่านพิาาพาสาผู้นั้นเขาได้ฟังคำแนะนำตักเตือนของเพื่อนอย่างนั้นก็มีจิตยินดีน้อมรับคำแนะนำนี่เขายินดียอมน้อมรับในคำแนะนำนะแต่ไม่ใช่ยินดีในการที่ปฏิบัติศีลเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วก็ตั้งใจจำใจ จนใจแล้วก็จําใจจะต้องรักษาอโมโสตตีินเพื่อให้เพื่อนและคนหลายเราอื่นเห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงอโมโสตตศีนได้เมื่อรักษาโมสตตีินท่านก็อดอาหารไม่ได้บริโภคอาหารเย็นบ้วนปากเสร็จแล้วก็เข้าโูฟที่นอน มันเวลาย่างเข้าสู่ในความหลับนอนดึกมันก็สับกระสายหลับไม่ช้าเพวาเหตุที่เขาไม่เคยอดอาหารเย็นเพราะความจริงตอนเย็นเนี่ยก็กิกนมากเคยกินทั้งอาหารทั้งกินเหล้ายาปลาปิง่งรวมคำทั้งอ ะ, อะไรล่ะไอเดยกนาลีพาชีกีลาบัต อาวัายมุกทุกราการเวลาเย็นเขปฏิบัติได้หมดขั้นมาอดเข้ากําลังใจมันก็กลุ่มความหิวความกระหายมันก็เกิดในที่สุดก็เกิดเป็นลมตายไปในคืนวันนั้นความจริงเขารักษาอุโบสดในความจําใจไม่เต็มใจในการรักษาอุโบสถ แต่คงมีอุโมสดอยู่ด้วยความ จ, จําใจแท้ๆตามพระบาลีถึงกล่าวว่าเมื่อตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นเปรตที่เรียกกันว่าเวมานิกเปรตคือเป็นเปรตแต่ว่ามีวิมานอยู่เสวยทุกเวตนาอยู่บนภูเขาลูกหนึ่ง ไอ้เขานี่ไม่ใช่เขาหินเป็นเขาสภาพของเขานี่เราไม่สามารถเห็นนิจตาสำหรับเวมา R, นักเมมาน่ก็เปรตเป็นผู้เป็ ผ, ผู้ที่เป็นผู้วิพาษาได้อยู่ในวิมานวิมานในสวยสดงดงามประดับปรรดาประดทอง แ, แก้แหวนเงินทองแพรว์แพวสวยสดงดงามมาก แวดรอมพระนารีที่เป็นบริวารมากมายคือมีนางฟ้าแวดรอมสวยสดงดงามน่ารักนี่จำใจรักษาอมโบสถมีนางฟ้าคือนารีแวดรอมมากเปิเผยสมบัติอันเป็นทิพย์ทางนี้ก็เพราะอำนาจที่เขารักษาอมโบสถต่สินได้ความเต็มใจในวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง โปรจำไว้ด้วยนะว่าการรักษาศีลแม้จะเป็นบริความไม่เต็มใจเหมือนกับเราไม่เต็มใจกจินข้าวมันก็อิ่มร้อนมาไม่เต็มใจอาบน้ำมาอาบน้ำแล้วมันก็มันก็เย็นการรักษาศีลก็เช่นเดียวกันนักษาถึงแม้ว่าเป็นไปบริความไม่เต็มใจแต่ถ้าว่าไม่ขาดในสิกขาบท ก็ปรากฏว่ามีคุณมีความดีฟิวเซอร์ไวผลที่เป็นคะแนนน้นก็ในความเป็นสุขมีวิมานเรียกว่าเวมาณนก็ะเปรดแต่ถ้าว่าจะต้องเกิดเป็นเปรตก็เพราะว่าอากุศล ก, กรรมที่ตนทำไว้ที่เคยโ ก, กหกมดเทศจพิพากษาไม่เป็นไม่เป็นไปนไตามความยุติธรรม ชอบกินสิ้นบ่ายค่าสิ้นบนและโทษที่ตนเคยกินชาสอเสียดยุยงส่งเสริมทำลายให้ความแต่ให้เขาแตกราวความสามัคคียิ <c oughs> ่งได้ต้องมาเป็นเปรตเป็นน้นว่าท่านทิวผู้วิพากษานี่ทนับผลสองอย่างร่วมกันคืนหนึ่งผลนึ่งการโนนโบสเตอร์ศีที่ไม่เต็มใจจะรักษา ท่านมามีวิมานทองมีวิมานเป็นวิมานทองประดับไปในแก้วสวยสดงงามมีเครื่องทิพย์เป็นเครื่องแวดล้อมมีนางฟ้าแวดล้อมเป็นบริวารจัดว่าเป็นสถานมีความสุขและมีสภาพในความเป็นเปรตกร็เพราะว่าอาศัยที่ท่านไม่มีความเชื่อศัก์สิทธิ์ต่อหน้าที่ ไม่สรงความดีมีความทุจริตคิดมีชชอบนี่พระเราก็ต้องระวังนิดแึงขอรับนี่ในสภาในสภาวะความเป็นเปยขคนท่านนั้นท่านบอกว่าน่าทุเรศเหลือเกินร่างกายสวยมัณฑนาแต่ได้ว่ามีเล็บมือยาวคล้ายๆจอบเลวก็ะคม กิจเลือดเดินเลือสันหลังขงั้นตนกินเป็นอาหารทั้งทั้งที่อยู่ในวิมานเช่นนั้นท่านที่เห็นภาพนี้เห็นเปรตคนนี้เป็นอันดับแรกตั้งคนตั้งก็คือพระนาระะเทเถระเจ้า <c oughs> ซึ่งลงมาจากภูเขาลูกนั้นเห็นเปรต น, นี้เข้าซึ่งเห็นเปรตเสวยทุกเวทนาสาหัสอย่างนั้น ในรบรรดาท่านพโยคาวาจรทุกท่านสำหรับเรื่องราวของเวมานิกเปร์เือเปรที่มีวิมานเป็นที่อยู่เปรประเภทนี้องค์สาเร็จพระบรมโคกกล่าวไว้หลายนายเดยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านมีภาษสาวผู้นี้ท่านหลายจำไว้เป็นตัวอย่าง ว่าการประพฤติปฏิบัติในฐานะผู้ทรงศีลทรงธรรมก็ทรงจริงๆอย่า จ, จําใจทรงศีลอยงทรงธรรมอย่างท่านพิพาสสาพู้นี้พระสายจําใจในการรักษาศีลได้มีวิมานมีนางฟ้ามีเครื่องทิพย์แต่ว่าพร้อมกันนั้นก็ตั้งตั้งใจสร้างความทุจริตคือไม่ปฏิบัติในจิตที่ตนควรจะประพฤติปฏิบัติ องค์สมเด็จพระสุทสวัสดีกล่างยังกล่าวว่าเขามาเป็นเวมานิกะเปรตแดบันดาท่านัางหลาการเวลาที่จะแนะนำกันก็หมดสันแล้วขอยุติวแตเ พ, เพียงทานี้ขอความสุขสวัสดีพัฒนมงคลสมบูรณ์ูลผลจงมีแดบันดาท่านพุทธศาสนิกนชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี